ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก200ปีนะในยุคนั้นลองนึกภาพดูนะไม่มีแท็บเล็ตไม่มีหลอดไฟคือกระแสไฟฟ้าเพิ่งเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบมันเป็นเหมือนความสงสัยใครรู้ของมนุษย์ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าการค้นพบเนี้ยมันจะเปลี่ยนมนุษยชาติไปแค่ไหนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ระดับประเทศหรือเมือง มันเปลี่ยนมนุษยชาติและโฉมหน้าโลกทั้งใบและนนผมเชื่อว่าทุกวันในวันนั้นน่ะก็จะมีคนสงสัยว่ารู้ไปทําไมทําไปทําไ ม, <laughs> ม ก, ก, ก, ก็น่าสนใจแ ต, แต่นั่นแหละครับคือผมไม่ได้บอกว่าความรู้ที่เอาไปใช้ได้ถึงจะมีคุณค่าผมว่าความรู้มันมีคุณค่ามันเติมเต็มความเข้าใจในธรรมชาติแต่หลายๆอย่างมันเป็นขอที่ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการค้นพบของไมเคิลฟอร์เดย์ ได้ใ น, ใ, นในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ว่าชีวิตเราเพึ่งพาไฟฟ้ามากแค่ไหนเนี่ยฟังว่าต้องตอบในวันนี้เลยที่ข้าไฟแบบแพงอะนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเราขาดไฟฟ้าไม่ได้แล้วก็บินข้าไฟเป็นตัวบอกเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ค่ะชวนย้อนกลับไปทำความเข้าใจกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยการค้นพบไฟฟ้าการรู้จักแล้วก็ดึงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลกของฟิสิกส์เท่านั้นแต่ว่ายังเปลี่ยนโลกที่เราใช้ชีวิตในทุกวันนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะวันนี้อยู่กับฟางรัตทอรโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจว่ะลงจันทมาศครับเราใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นปลายทางเนาะเปิดไฟในที่บ้านเล่าหรือว่าชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะคะพี่จริงๆแล้วไฟฟ้ามันมาจากไหนคะพี่ปองแปงมันมาหลายทางครับน้องฟางคือโลกทุกวันนี้นะการผลิตไฟฟ้ามันมีหลายวิธีมากส่วนหนึ่งก็มาจากแบตเตอรี่เนาะ แต่ตะลื่ก็คือฐานนั่นแหละนะส่วนหนึ่งก็มาจากโซลาเซลล์ค่ะอย่างนี้ก็เริ่มติดตามตามหลังคาบ้านใช่ไหมอันนี้บ้านเราติดเป็นโซลารูฟยังยังแต่คิดว่าถ้าติดน่าจะช่วยเซฟค่าไฟได้แล้วก็อีกก้อนนึงก็มาจากโรงไฟฟ้าซึ่งก็โรงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพวกเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือกระบวนการบางอย่างที่ช่วยในการผลิตไฟฟ้านะซึ่งโรงไฟฟ้าในที่นี้นะจะใช้หลักการของคุณไมเคิลฟาราเดย์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ละส่วนเนี่ย ก็มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันแต่อย่างที่บอกวันนี้เราเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าที่มาจากความคิดของคุณไมเคิลฟาราเดย์ซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าหลายคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายกย่องกันว่าการทดลองของคุณไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยเป็นหนึ่งในการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟิสิกส์คือจริงจริงการจะพูดว่าการทดลองอะไรยิ่งใหญ่อะเป็นพูดยาก แต่ละการทดลองมันก็มีส่วนเติมเต็มความรู้ให้นักวิทยาศาสตร์ในส่วนนั้นๆทั้งสิ้น <มา S 2> นะครับมาต่อยอดกันต่อได้เรื่อยๆใช่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปเนาะแต่การทดลองของคุณไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยนอกจากจะเป็นการปฏิวัติความคิดแล้วยังสามารถมี potential มีศักยภาพในการพัฒนาต่อเป็นเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายมาจากคุณไมเคิลฟาราเดย์แล้วอันนี้บอกไว้นิดนึงสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์เนาะคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเราตัดสิน ทฤษฎีหรือความจริงว่าอันไหนจริงไม่จริงสมมติฐานอะไรถูกไม่ถูกเราต้องใช้การทดลองตัดสินซึ่งเป็นอะไรที่ทำยากออกแบบการทดลองก็ยากปฏิบัติจริงก็ยากปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลก็ยากซึ่งผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทดลองได้ห่วยมากม า, ม า, ต, มาตลอด <c oughs> ก็เลยยกย่องนักทดลอง <c oughs> มากๆนะครับ เหมือนช่วยพิสูจน์ทําให้เห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงได้ใช่คือมีสมมติฐานมีทฤษฎีเยอะแยะเลยเนี่ยเราจะรู้ว่าทฤษฎีไหนถูกไม่ถูกเราจะรู้เอาอะไรทิ้งเราจะเก็บอันไหนไว้นักทดลองนี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นหลายๆหมวดหมู่ของไฟฟ้านะพี่ปองแปงแล้วถ้าย้อนกลับไปที่ดูอาจจะไม่ได้เป็นไกลตัวเราเวลาแบบเราเจอเพื่อนหรือว่าเราแบบจับของอะไรบางอย่างแล้วมันแบบจึ๊อมีแบบเนี้ย อันนี้ถือเป็นถือเป็นไฟฟ้าไหมไฟฟ้าสถิตอคือไอ้ปรากฏการไฟฟ้าสถิตเนี่ยน้องฟางมันมีเขาเห็นกันมาตั้งแต่ยุคโบราณมากแล้วตั้งแต่ยุคแบบโอ้โหกรีกเกร์กอะไรเนี่ยมีการตั้งทฤษฎีสงสัยกันมาโดยตลอดนะครับคือเขาเห็นว่าการเอาก้อนอัำพันมาถูหรื อ, รอมีพวกขนสัตว์อะไรเพราะมาขัดถูปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอ า, เอาไม้บรรทัดไปถูหัวเพื่อนนะครับ ถ้าอากาศมันแห้งเนี่ยมันใช้ดูดหรถุงถุงตัวเองก็ได้นะอย่าไปแกล้งเพื่อนดูดเศษกระดาษเนี่ยมันดูดติดเนาะอันนี้คือไฟฟ้าสถิตอออื่าเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นกันมานานแล้วแม่เหล็กก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นกันมานานแล้วคือมันมีแร่ บ, บางชนิดที่มีความเป็นแม่เหล็กจากธรรมชาติของมันนะซึ่งสองอย่างเนี่ยมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเห็นมาและรู้สึกว่าสองอย่างเนี่ยมันเป็น คนละเรื่องคนละราวคนละสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันแยกกันอยู่แยกกันแบบสมบูรณ์คือไฟฟ้าก็อย่างหนึง่งแม่เหล็กก็อีกอย่างหนึง่งค<ะ>่ะถามว่าทําไมผมเล่าเรื่องนี้<ะ>คําตอบคือคนที่จะมาเห็นความเชื่อมโยงเนี่ยมันจะนํามาซึ่งกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันนี้อนะที่เราได้ยินคําว่าแม่เหล็กไฟฟ้าอ่านั่นแหละ น, นั่นแหละอ่าคำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากในยุคหลังเนี่ยมันมีมีคนมาเห็นความเชื่อมโยงซึ่งเล่าต่อเลยแล้วกันนะได้ คนที่ค้นพบคนแรกๆถึงความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาชื่อฮันคริสเตียนเออร์สเตดเป็นนักฟิสิกส์เขาค้นพบว่าถ้าเราปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่เส้นลวดแล้วเอาเข็มทิศไปวางไว้รอบๆเส้นลวดนั้ น, นมันจะเกิดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจขึ้นเข็มทิศมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะใช่ก็คือคือต้องอกก่อนเข็มทิศเนี่ย มันชีทิศเหนือนะครับมันวางตัวในแนวเหนือใต้เพราะว่ามันตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของโลกเรา<ฆ>โลกเรามีสนามแม่เหล็กเนาะมันก็จะตอบสนองทําให้เราใช้เข็มทิศในการหาทิศทางได้แต่ทีนี้พอเอาไปวางไว้รอบๆเส้นลวดที่มันมีไฟฟ้าไหลผ่านเนยเข็มทิศแทนที่จะชี้เหนือใต้เนี่ยมันดันบิดเป็นวงกลมไปรอบๆเข็มทิศนั้นวางตัว<อ>เป็นแนววงกลมไปรอบๆเข็มทิศนั้นซึ่งประหลาด ท, ทั้งๆที่เราไม่ได้ย้ายหรือหมุนอะไรมันไม่ได้ไปทําอะไรคือวางให้เฉยแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่แล้วถ้ากลับกับทิศของกระแสไฟฟ้านะครับทิศของเข็มทิศก็กลับด้วยอแต่ว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกันเออร์สเตดเห็นก็งงก็ค้นพบนะแต่ก็ตีพิมพ์การค้นพบไว้แล้วก็เชื้อเชิญให้คนอื่นมาร่วมอธิบายนะครับและคนที่มาอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่เราคุ้นชื่อกันก็คือคุณ And Marie องเดร์มารีแอมเปร์ชื่อของเขาเหมือนเป็นค่าวัดกร<ห>ะแสเป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้ า, าซึ่งสาเหตุคืออะไรจะเล่าให้ฟังด้วย ค, คุณแอมแปร์เนี่ยทดลองปุ๊บนะทำการทดลองแล้วเขาต่อยอดขึ้นไปก็คือแทนที่จะใช้เส้นลวดเส้นเดียวแบบคุณเออฟสเตนเขาลองปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่เส้นลวดสองเส้นที่ขนานกันถ้ากระแสไฟฟ้าอยู่ในทิศทางเดียวกันเส้นลวดเนี่ยจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างกัน Hmm. แต่ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ามันสวนกันเส้นลวดเนี่ยมันจะผลักกัน hmm. แอมแปร์เนี่ยทดลองซะจนวัดได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีสูตรสําหรับการคํานวณด้วยนะว่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่จะเกิดแรงแค่ไหนระยะห่างเท่าไหร่พวกนี้ hmm. มันเลยทําให้เกิดนิยามกระแสไฟฟ้ามีช่วงนึงโลกเราใช้นิยามกระแสไฟฟ้าจากการทดลองของคุณแอมแปร์นะ hmm. นิยามเลยนะค่ะ hmm. แม้ว่าช่วงหลังๆคืออย่างทุกวันนี้เราเรารู้ว่าเาว่ากระแสะไฟฟ้านี่มันเกิดจากการไหลของอ<ฆ>ิเล็กตรอนเราทำทำความเข้าใจธรรมชาติอิเล็กตรอนได้ละเอียดมากนิยามนี่ก็เปลี่ยนไปเนาะแต่ว่าในยุคหนึ่งเราเคยนิยามจากการทดลองนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณแอมแปร์ชื่อของเขานะครับเลยกลายมาเป็นหน่วยการวัดกระแสะไฟฟ้าเพราะมันช่วยในการทดลองมันเจ๋งมากมแล้วเขายังเป็นคนอธิบายด้วยว่าอ๋อที่เข็มทิศมันบิดเนี่ยมันเกิดจากการที่พอคุณปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวด เส้นลวดมันจะแผ่สนามแม่เหล็กออกมารอบๆอแล้วสนามแม่เหล็กเนี้ยมันทำให้เข็มทิศบิดไปอย่างที่เราสังเกตได้ะะแล้วมีใครมาต่อยอดหรือว่ามันกลายมาเป็นการผลิตไฟฟ้าอย่างที่พี่ปองแปงบอกเอาไว้ตอนต้นยังไงคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าฟาราเดียเลยเคุณไมเคิลฟาราเดียเนี่ยเห็นการทดลองนี้แล้วก็ต่อยอดแต่การทดลองต่อยอดของคุณฟาราเดเนี่ยผมว่ามันแบบมหัศจรรย์มากคือ เขาทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่เส้นลวดแล้วเส้นลวดเนี่ยนะฮะมันมันเป็นเส้นแบบคือตรึงปลายหนึ่งไว้อีกด้านมันฟรีกลมไดม้แต่ประเด็นคือเขาค้นพบการที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานกลหรือการเคลื่อนไหวได้<อ>ฟังดูยิ่งใหญ่ม ะ, ะทำไมยิ่งใหญ่รู้ไห ม, อ, มอุปกรณ์รอบตัวเราอะ ชาวไทยใช้กันพัดลมอ๋อมันคือหลกักการอันนี้เหรอโห oh, ปล่อยไฟฟ้าเข้ามาออืแล้วเกิดการเคลื่อนไหวเชิงกลแบบเนี้ยมันก็คือมอเตอร์ไงแต่อย่างที่บอกคืออย่างคุณฟาราเดย์มันเป็นมอเตอร์อย่างง่ายนะหลังๆเขาก็ต่อยอดแต่นี่เป็นไพโอเนียเป็นการบุกเบิกที่ให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในเชิงการทดลองได้แอร์อย่างเนี้ยอื มันต้องมีใบพัดหมุน่ะโอ้โหคือลองไม่มีการค้นพบเนี่ยจบเลยนะครับเค่ใช้ไฟฟ้าจบเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างที่อาศัยการเคลื่อนไหวแบบนี้มันใช้หลักการของคุณฟาราเดย์ในเรื่องนี้มันแปลงมาเป็นการเคลื่อนแล้วก็เป็นพลังงานกลใช่ไหมใช่พลังงานกลก็คือการเคลื่อนไหวอลึกซึ้งไหมแล้วก็เกิดผลที่ยิ่งใหญ่มากแต่ยังไม่จบนะอืคุณฟาราเดย์เนี่ยยังทําการทดลองที่กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่ง ก็คือเขาทําการทดลองในประวัติศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าเ้าทำการทดลองหลายอย่างมากเลย<ะ>แต่ทุกวันนี้ขอเล่าแบบง่ายๆก็แล้กัน<ม>เพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือสุดท้ายแล้วเขานํามาซึ่งการทดลองที่สังเกตได้ไม่ยากก็คือว่าถ้าเราเอกขดลวดมามาขดนะฮะแล้วเอาแท่งแม่เหล็กแหย่ yeah, เข้าไปใส่ตรงกลางขดลวดนั้น<ะ>นะตอนที่เราเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าจะเกิดกระแสะไฟฟ้าในขดลวดนั้น<ม>เขาเรียกกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนา<ม>โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก และถ้าดึงออกก็เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในที่ตรงข้ามเท่ากับว่าอันเนี้ยเราสามารถเอาการเคลื่อนไหวร่วมกับแม่เหล็กเนี่ยนะครับมาสร้างให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นี่แหละคือหลักการที่โรงไฟฟ้าจำนวนมากเลยนะใช้ผลิตไฟฟ้าให้พวกเราใช้งานกันทุกวันนี้ก่อนจะมีโซลาเซลล์ล้วจริงๆพลังงานทางเลือกหลายอย่างก็ใช้หลักการนี้เอาเป็นว่า การเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะมาจากกังหันล ม, มที่มันหมุนนะครับหรือเขื่อนที่มันปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ไปปั่นอะไรสักอย่างนึง<ะ>เนี่ยก็ใช้หลักของคุณฟาราเดย์แล้วโรงไฟฟ้าส่วนที่เราใช้กันเยอะเลยนะก็คือการเอาแก๊สธรรมชาติบ้างเอาพวกน้ำมันถ่านหินเนี่ยมามาเผาแล้วก็เอามาต้มน้าพอต้มน้าเนี่ย หม้อน้ำอันใหญ่มากๆของเขาก็จะปล่อยไอแรงดันสูงนะครับรู้สึกจะเรียกไอดงนะเคยได้ยินไหมมาเป็นไอขึ้นไปแล้วก็เอาไปปั่นกังหันออันนี้ก็อาศัยหลักของไฟฟ้าฟาราเดย์หรือแม้แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังดูโมเดิร์นมากเลยนะดูทันสมัยมากแต่เป็นยานิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนเขาก็ดึงความร้อนเนี่ยมาต้มน้ําแล้วเอาน้ําเนี่ยไปปั่นอะไรสักอย่างอยู่ดีอ ดังนั้นโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับจํานวนมากมายเลยที่ไม่ใช่โซล่าเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ไม่ใช่ความร้อนใต้พิภพเนี่ยที่อาศัยการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างไปปั่นไฟอาศัยหลักของคุณแมคเคลนเฟลเดย์คือการเหนียวนําตรงนี้ค่ะคือมีหลักการพื้นฐานเดียวกันเดียวกันหมดเลยส่วนลักษณะโครงสร้างอะไรยังไงเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ละเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของวิศวกรเขาจะออกแบบให้ภายในมันเป็นอย่างไรพอที่ฟังเมื่อกี้พี่ป่องแปงเราจะเห็นการหมุนของขดลวดใช่ไหม แล้วเหมุนของเส้นลวดออใช่ออมอมอตเตอร์อย่างง่ายแล้วเขาให้ไอ้สิ่งนี้ยมันทํางานได้ยังไงเขาไปเอาเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปให้มันให้มันผ่านเส้นลวดแล้วก็จริงๆมันมีอ่างประหลอดมีอะไรมันซับซ้อนแต่เอาเป็นว่าไฟฟ้าพอมันไหลครบวงจรปุ๊บแล้วถ้าตรงนั้นมีแท่งแม่เหล็กอยู่มันก็หมุนได้แล้วไฟฟ้าที่เขาเอามาปล่อยเนี่ยคุณอ๋อถามได้ดีเออคือในยุคนั้นเนี่ยเขาทดลองเจอตัวนี้แล้วเขาค่อยไปเหนี่ยวนํา ให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่หลังอคือมันเป็นการทดลองที่เขาเจอกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดพลังงานกลมีการเคลื่อนไหวก่อนนะอน้องฟางสงสัยว่าเขาสร้างกระแสไฟฟ้าจากไห<ฆ> น, นเขาใช้แบตเตอรี่คนระในยุคนั้นก็เริ่มมีการค้นพบแบตเตอรี่มาก่อนแนละ้วค้นพบมาตั้งแต่สมัยอเล็กซานโดรโวต้าแล้วใช่แบตเตอรี่ก็คือการใช้พลังงานเคมีนะครมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเขาใช้ตรง น, นั้นแต่แน่นอนว่าทุกวันเนี้เราเราใช้พลังงานกลมาเปลี่ยนเป็น กระแสไฟฟ้าในโลงอานไฟฟ้าเยอะกว่าเยอะมากๆเลยแล้ ว, ลวกันนะซึ่งมีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าในยุค ข, ของคุณฟาราเดย์เนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณสักสองร้อยปีนะในยุคนั้นลองนึกภาพดูนะไม่มีแท็บเล็ตไม่มีแบบหลอดไฟคือกระแสไฟฟ้าเพิ่งเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบมันเป็นเหมือนความสงสัยใคร้รู้ของมนุษย์ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าการค้นพบเนี่ยมันจะ เปลี่ยนมนุษยชาติไปแค่ไหนอมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ระดับประเทศหรือเมืองมันเปลี่ยนมนุษยชาติและโฉมหน้าโลกทั้งใบอเพราะทุกวันนี้มนุษย์เราใช้ไฟฟ้าจนมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแต่มันเกิดจากความสงสัยและการทดลองของมนุษย์กลุ่มเล็กๆที่อยากรู้ว่าเฮ้ยไฟฟ้ามันทําอะไรได้แม่เหล็กมันมันเปลี่ยนแปลงให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไรอะไรพวกนี้มันมันมาจากความสงสัยล้วน ตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจค่ะเพราะฟังว่าวันที่เราเห็นวันที่เขาเห็นขดลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็คงจะนึกภาพไม่ออกมันจะกลายมาเป็นแบบว่า<ฮ>เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในทุกวันนี้แล้วผมเชื่อว่านะในวันนั้นน่ะก็จะมีคนสงสัยว่ารู้ไปทําไมทําไปทําไมก็น่าสนใจแต่นั้นแหละครับคือผมไม่ได้บอกว่าความรู้ที่เอาไปใช้ได้ถึงจะมีคุณค่าผมว่าความรู้มันมีคุณค่ามันเติมเต็มความเข้าใจในธรรมชาติ แต่หลายๆอย่างมันเป็นของที่ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการค้นพบของไมเคิลฟาราเดย์แต่เอาเป็นว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เอาเอาพลังงานกลไปเปลี่ยนเป็นแบบเนี้โดยใช้แม่เหล็กเป็นเป็นตรงนี้มันคือหลักการฮูลไมเคิลฟาราเดย์และที่มันน่าประหลาดก็คือมันไม่ใช่ว่าสนามแม่เหล็กเฉยๆนะมันต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กด้วยคือต้องต้องขยับเข้าขยับออกอแช่ไว้เฉยๆไม่เกิดอืแปลกไอมนี่แหละผมถึงบอกได้ว่า การทดลองของคุณไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยถ้าจะกล่าวมันยิ่งใหญ่มากเพราะเขาเป็นสุดยอดนักทดลองยังมีการค้นพบเกี่ยวกับเคมีอะไรอีกนะก็คือคุณไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยไม่ได้รับการศึกษาแบบเป็นเป็นระบบนะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยใช้คาว่าขัดสนได้อเออลำบากเลยแหละเป็นหนึ่งในคนที่สุดยอดมากๆแล้วชีวิตเขาไปเจอจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทำให้เขาได้แบบกลายเป็นไมเคิลฟาราเดย์ ก็คือไม่ได้เรียนตามในระบบการศึกษาตามห้องเรียนปกติแต่ว่าใช้การทดลองสังเกตอะไรต่างๆคือได้รับโอกาสบางอย่างแล้วกันแล้วเขาก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นนะแล้วก็จับอย่างมั่นคงแล้วคราวนี้คือยิ่งใหญ่เลยนะครับไว้ทาประวัติไมเคิ้นฟาราเดย์แล้วกันเพราะผมชอบคนนี้มากคุณไม่เคลิ้นฟาราเดย์เป็นนักทดลองที่ทดลองให้กับับพับลิคด้วยนะ คือคือทำให้สาธารณชนดูเรื่องการทดลองต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้คนอื่นสนใจวิทยาศาสตร์ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนก็สนใจแบบมากๆด้วยก็เลยก็เลยชอบนะครับซึ่งนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของคุณไมเคิลฟาราเดย์เนาะแล้วก็หลักการผลิตไฟฟ้าก็มาจากตรงนี้แหละ แต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงยุค ข, ของคุณฟาราเดย์อย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้จริงๆแล้วการผลิตไฟฟ้าหรือการดึงพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในโลกเราวันนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆที่แบบใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มไหมคะโอ้มันไปไกลเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขออนุ ญ, ญาตนิดนึงคื อ, อ, อขอแทรกเกรดนิดนึงคือหลังจากยุค ข, ของเอิร์สเตยที่พบว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ย มันปล่อยสนามแม่เหล็กออกมารอบๆใช่ไหมกับคุณฟาราเดียที่พราบว่าสนามแม่เหล็กที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเนียวนาให้เกิดกระแสะไฟฟ้าในเส้นลวดได้อื ม, มันมีนักฟิสิกส์อยู่คนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่คนไม่ค่อยคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยทราบกันะนะครับแต่ในโลกฟิสิกส์เนี่ยเขาถือกันว่ายิ่งใหญ่เทียบเท่าไอแซคนิวตัน<อ>นั่นก็คือคุณเจมส์คลาร์สแม็กซ์เวลล์นะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่เห็นการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ความเชื่อมโยงระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยแล้วเขาสร้างทฤษฎีของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรแมกเนติซึมทฤษฎีเนี่ยนะเป็นทฤษฎีที่มองแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับเป็น2ด้านของเหรียญที่มันที่มันเติมกันเติมควา ม, มจริงหนึ่งเดียวก็คือความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถือกําเนิดยุคแห่งแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยถือกําเนิดมาจากคุณเจมส์คลาร์สแม็กซ์เบล เพราะว่าแม็กซ์เวลล์สร้างสมการซึ่งไม่ต้องเห็นก็ได้มันน่ากลัวมากมันเป็นสมการที่ซับซ้อนและค่อนข้างยากมากนะครับเขาเรียกสมการของแม็กซ์เวลล์มันใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมมาก<ฆ>และที่สำคัญคุณแม็กซ์เวลล์เนี่ยนอกจากจะเชื่อมโยงยูนิฟายความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอิเล็กโทรแมกเนติซึมแล้วเนี่ย <S <S เขายังเป็นคนแรกที่แสดงให้เห็นว่าแสงเนี่ยคืออะไรกันแน่ด้วยนะ แต่ก่อนเราเคยมีตอนนึงเล่าเรื่องแสงมั้งใช่ใช่ใช่ลองไปดูนะครับก็แม็กซ์เวลเนี่ยเป็นคนแรกที่อธิบายให้อย่างชัดเจนเลยคือตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าคุณแม็กซ์เวลล์เขารู้แล้วแหละว่าแสงเนี่ยมีคุณสมบัติของคลื่นนะเป็นคลื่นแต่มันเป็นคลื่นอะไรอเออคลื่นน้ำเนี่ยมันคือการสั่นของน้ําก็คือคลื่นของน้ำใเห็นเราเห็นคลื่นน้ำคลื่นทะเลมันคือการสั่นของน้ําำแหละน้ํามันสั่นคลื่นเสียงคือการสั่นของอากาศมันสั่น อเราทุบโต๊ะแล้วเป็นคลื่นคลืนมันก็จะพังกันไม่เป็นคือโต๊ะมันก็สั่นมันก็คือคลื่นที่ที่เกิดจากการสั่นของโต๊ะ อ, อะไรพวกนี้แล้วแสงมันอะไรสัน่นอในยุค ข, ของคุณแม็กซ์เวลล์ไม่รู้นะครับคือมันมีการทดลองหนึ่งมาจากคุณฟาราเดย์ละซึ่งอันนี้มันแอบลึกนิดนึงแต่อันนี้เดี๋ยวคือว่าฟาราเดย์เนี่ยไปนค้นพบว่าสนามแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนโพลาไรเซชันของแสงได้ช่างมานเถอะจะเอาเป็นว่าคุณแม็กซ์เวลล์เห็นปุ๊บก็เฮ้ย ไม่ละเลยนะครับถ้าเราย้อนก่ับไปโพลไรเซชันคืออะไรค่ะก็เนี่ยไม่ไม่เล่าจริงหรอมันคือแนวการวางตัวของคลื่นก็แล้วกันแนวนี้หรือแนวนี้อย่างเงี้ยมันเป็นโพล a ไรเซชันนะครับซึ่งมันโอเคโอเคคือแสงเนี่ยถ้ามันมาแนวนี้แล้วเอาสนามแม่เหล็กใส่นะฮะให้มันถ่านสนามแม่เหล็กแล้วค้นพบว่าสนามแม่เหล็กมันบิดโพลาไรเซชันของแสงได้ คุณคุณฟอร์เดย์คุณพบ น, นะครับแล้วมันส่งผลอะไรต่อคะ่ะแม็กซ์เวลเลอร์มเห็นว่าแสงเนี่ยมันตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กก็มีสมมุติฐานก็เอาเรื่องเนี้ยนะฮะต่อยอดขึ้นมาอแล้วก็เชื่อว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่าแสงเนี่ยมันน่าจะเป็นการสั่นของคลื่นสนามไฟฟ้าเหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กก็เหนียวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปออืแล้ว เขาก็ใช้สมการของเขาเนี่ยนำมาคํานวณอแล้วได้ผลที่น่าสนใจมากก็คือว่าเขาได้ความเร็วของแสงออกมาจากการคํานวณโดยทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเขาแล้วเลขที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างตรงเลขที่ออกมันค่อนข้างตรงกับความเร็วแสงที่วัดได้ในยุคนั้นโอเป็นการยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจริงจริง <ๆ S 2> นะครับค่ะแปลว่ามันมีสาม เขาเรียกว่าอะมี3อย่างล้มีทั้งไฟฟ้ามีทั้งแม่เหล็กแล้วก็มีแสงอ่ามันวางอยู่บนสมการของแม็กซ์เวลล์การค้นพบทางแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้อยากรู้ก็ต้องลองไปอ่านลึกๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าความรู้ของแม็กซ์เวลล์เนี่ยมันส่งผลเยอะมากเพราะว่ามันเป็นสมการพื้นฐานที่ใช้คำนวณแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนเราใช้การกดการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณวัตถุนะมันเป็นือนการพื้นฐานเลยใช่ไหมครใช่เป็นรากพื้นฐานเลยทีนี้มันต่อมาถึงคําถามของน้องฟางที่ว่า แล้วการผลิตไฟฟ้าทุกวันนี้ยมันมีอะไรต่อยอดขึ้นมาได้เนาะเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นถ่านหินกับเราเอาแก๊ธรรมชาติเอาผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมมาสร้างไฟฟ้าเนี่ยมันก็ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนาะถ้าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีต่างๆมันมีข้อดีข้อเสียน้นนองฟางนึกออกไห ม, มคือมันสร้างไฟฟ้าให้เราใช้ในยุคนึง เกิดประโยชน์มากเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นว่าไอ้คารอนไดออกไซด์ที่ออกมาเยอะเกินไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทำให้โลกร้อนขึ้น<ฆ>นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราพยายามควบคุมกัน<ฆ>นะซึ่งมันเลยทําให้มนุษย์เราก็มีการสแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่นๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น<ฆ>นะฮะวิธีการอื่นๆก็เช่นโซลา่าเซลล์อันนี้ทุกคนรู้กันดีแต่โซลา่าเซลล์มีหลายแบบมากนะ ไม่ได้มีแค่แบบซิลิคอนที่เราเห็นเป็นสีดําๆที่เราใช้กันทุกวันนี้มัน ม, มันมีทางเลือกอื่นๆอีกเยอะในการผลิตโซลาร์เซลล์โซลาเซลล์แบบปล่อยแสงทะลุเข้ามาเลยก็ได้คือหมายความว่าถ้าเป็นซิลิคอนเราต้องไปปูบนบนหลังคาหรือว่าทําเป็นเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็เป็นแผงอย่างเงี้ยเป็นโซลา่าฟาร์มอย่างเงี้ยเพื่อให้รับแสงอาทิตย์แต่มันยังมีโซลาเซลล์แบบบางจนแสงทะลุได้อาจจะเอาไวป้ปูใส่ตึกที่เป็นกระจกแบบนี้ก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ น้องฟางอาจจะไม่เคยได้ยินหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็คือ artificial photosynthesis ใบไม้เทียมการสังเคราะห์แสงเทียมเราจําลองการทํางานของต้นไม้ใบไม้อย่างนี้หรอคะคือชื่อมันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆคือมันเป็นโลหะบางอย่างนะฮะที่เราเอาไปใส่เข้าไปในน้ำแล้วเอาไปตั้งใส่แสงนะครับแล้วมันจะทําให้เกิดฟองแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกมาได้คือมันแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนในน้ําออกมาได้แล้วก็เรียก artificial photosynthesis แล้วเขาก็เอาตัวไฮโดรเจนกับออกซิเจนนี้ไปใช้ในการผลิตพลังงานในเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟิลเซลอะไรพวกเนี้เคยเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยค่ะคือตอนนี้โซลารเซลล์มาแรงแบตเตอรี่ลิเธียมม า, มาแรงใช่แต่ฟิลเซลเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยิ่งขึ้นมาแรงนะแต่ว่าอาจจะยังไม่แพร่หลายฮะเพราะว่ามันติดโนู่นนี่นั่นหลายอย่างแต่อย่างที่บอกถ้าใครไปดูตอนแบตเตอรี่จะพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ก่อนก็ติดปัญหาเยอะอพอดึงปัญหาแคะมันออกะ โอ้โหคราวนี้แมสโพรดักออกมาเข้าถึงชีวิตคนนะอืพฟังว่าน่าสนใจพอเรามีพื้นที่ให้การตั้งคำถา ม, มและการทดลองสิ่งใหม่ที่อาจจะดูว่าไร้สาระหรือเปล่าหรือว่าดูว่ามันความเป็นไปได้มันคืออะไรมันอาจจะมองไม่เห็นในวันนั้นแต่ว่าเพราะมีการตั้งคำถามและทดลองสิ่งใหม่เ่านั้นะ มันจึงทำให้เราเห็นจินตนาการโลกใหม่ๆอย่างในวันนี้ที่เห็นที่บงป๋งพูดถึงเรื่องแหล่งที่มาของพลังงานใหม่ๆอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็มาจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นนั่นเองเนาะที่มีช่องว่างให้เกิดการจินตนาการเหมือนที่ เราเคยคุยกันว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องของจินตนาการไว้ใช่ไหมคะใช่ฮะนะก็ฟังว่าเรามาเปิดโลกจินตนาการแบบเนี้ยไปด้วยกันก็สนุกดีนะคะคใครที่ฟังตอนนี้แล้วมีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> ก็พิมพิมคอมเมนต์เข้ามาได้ในช่อง YouTube Channel ของเรากลัวเลยคําถามนะ <c oughs> เดี๋ยวรอลองดูคะ่ะว่าจะมีคําถามเรื่องอะไรบ้างกล <c oughs> ัวสองอย่างกลัวคําถามกับแบบอยากฟังเรื่องนั้นครับ <c oughs> แต่จริงชอบจริงจริ ง, ร ง, รงกลัวแต่ก็แบบ หลายคำถามมันน่าสนใจนะแล้วเราก็พยายามทำกันบ้านตามอยู่ก็อาจจะได้ฟังตอนใหม่ๆจากคอมเมนต์ของท่านดีเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามรายการของเราแล้วก็ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะ YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามฟังพวกเรานะคะได้ในทุกๆ channel podcast player เลยนะคะวันนี้ใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ